บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาท่านสายธรรมธมิกะทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐ า, านใกล้เข้ามาแล้วขอท่านทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจรวบรวมกำลังใจ ให้ทรงอยู่ในรมของบารมีสิทธัตต์ตรวจใจดูว่าบารมีสิทธัตต์ของท่านมีอาการคตรท่วข์หรือไม่เพียงใดในเบรการหนรึ่งจารณะสิบห้าเบรการเป็นข้อวัดปฏิบัติที่บรรดาพิสุทสมณนนีแลวบาสโสบาสิกาทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติ ท่านลงไข้ครุญว่านับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาถึงเวลานี้จรณะสิบห้าเดือการของท่านมีครบถ้วนหรือไม่เพียงใดถ้าหากว่าไม่มีการครบถ้วนแล้วก็ขอให้โปรดระมัดระวังควบคุมกําลังใจอยู่ให้เป็นปกติสามารถควบคุมบารมีสิบรดือการกับจรณะสิบห้าให้ครบถ้วน นี่ฉะนั้นแล้วการอุปสมบทบัญชาหรือว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ของท่านอย่าพลาดความหมายนั่นก็คือต้องลงบายะภมอันนี้เป็นกติกามัญไดาท่า น, น, นหลายที่ต้องคิดย่อยไปเสมอสำหรับต่อ น, นี้ไปก็จะได้คุยกันเรื่องก่อนเจริญพระกรรมฐาน วันนี้ขอภาวะการตายของผมครั้งที่สามมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อเป็นนิทัศนะเพราะว่าคนทุกคนน่ะต้องตายด้วยกันทั้งหมดอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะไม่ตายแต่ถ้าว่าเมื่อตายแล้วนี่สิ เราจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะเขตที่จะตายก็มีอยู่ว่าอบายอาพรมสีหรือว่าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเบลดาทเทเบลดาเกิดเป็นพรหมหรือว่าไปคณิพาน การที่จะไปเกิดในที่ทุกสถานตามที่กล่าวมามันไปได้โดยอำนาจการกระทำของเราถ้าอารมณ์จิตคิดชั่วที่อย่างเดียวเราก็ไปเกิดในอบยภูมิถ้าอารมณ์จิตคิดดีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างหรือว่าไปนิผ่านวันนี้ขอนำเรื่อง อีกการที่ผมต้องเข้าถึงความตายวาระที่สามเป็นอันว่าคราวนั้นหลังจากการตายวาระที่สองผ่านมาภารกิจก็เต็มไรด้ความหนักมากทั้งการก่อสร้างการบริหารงานทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านทันหางานให้ใช้ให้มาก ถึงแม้เวลาจะป่วยไข้ไม่สบายท่านก็อยากจะใช้พระเวลาเช้าพระเะทำมัดสุดมนต์ชาวบ้านท่านก็อยากใช้เวลาเย็นพระจะทำมัดสุดมนต์ชาวบ้านท่านก็อยากใช้กลางคืนเวลาจเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานชาวบ้านท่านก็อยากใช้แล้ว่าถ้าใช้ไม่ได้ท่านก็โกรธ ดูสภาวะเหมือนกับว่าพระที่บวดเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นลูกจ้างของชาวบ้านในเวลานั้นอาศัยที่ผมได้ศึกษารจริยธรรมจากรุวมพ่อปานบ้รนบาลมุโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครเสียยุติยาพอมีความเข้าใจในเรื่องของจิตมีความรู้สึกว่าผมเองมีภาระหนักมาก ย้านทั้งมีความคิดเห็นว่าการเป็นคราวาสัสมีความสบายมากกว่าเพราะอะไรเพราะาถูกชาวบ้านใช้ทั้งกลางวันกลางคืนงานประจําในสมณกิจก็ต้องทํางานปกครองก็ต้องทํางานก่อสร้างก็ก่อสร้างคราวเดียวหลายๆายวัดมันก็หนักมากอยู่แล้วแต่ว่าชาวบ้านท่านก็ยังขยันใช้ การใช้พระบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าจะว่ากเขาไปหาพระกันพักว่าท่านทั้งหลายได้เจตุปทิยายนท่านจะทราบว่าบางคนที่เขามานี่สภาพอาทิสมานกายเต็มบริการไฟเผา <c oughs> และว่ามีการถูกเครื่องพันธนาการมีอสังภาวุฒิสับฝันคนประเภทนี้อารมณ์ใจจะไม่มีความสุขเพราะนั่นอารมณ์อธิสมานในกายของเขาเป็นอบายภูมิไปแล้วเนก็มานั่งคิดว่าไฟเขาลุกท่วมตัวภายในถ้าเราจะไม่ทำให้เขาตามที่เขาต้องการถ้าเขาโกรธไฟมันก็จะลุกมากกว่านั้น ถ้าทำให้ไฟก็เสื่อมไม่กันเพราะในฐานะที่ใช้พระไม่ได้มาด้วยความเคารพนับถือ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ได้พยายามคุ้ยความไม่ตาจึงทำให้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเลิกถือว่านี่ที่จะต้องชำระแบบนั้นไม่มีจิงถือระเบียบเป็นสำคัญ เวลาใดเป็นเวลารับแขกเวลาใดเป็นเวลาทํางานประเภทไหนจะรักษาเวลานั้นโดยเคร่งครัดและจะไม่ให้อภิสิทธิ์แก่ใครทั้งหมดถือตอนนี้ถือว่าหมดกิจและหมดภาระที่จะพึงทํามีภาระอยู่อย่างเดียวคือการทรงชีวิตอยู่เพื่อให้ธรรมะแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเท่านั้น ดังนั้นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องท่านเรื่องเข้ามาแล้วก็จะถูกปฏิเสธทันทีเรื่องีก็เพราะว่ามันไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์เป็นอันว่าภาระในคราวนั้นผมหนักมากผมกําลังป่วยเกือบจะเดินไม่ไหวแต่ปีเดียวกันต้องสร้างอุโบอสดึงสองหลังพร้อมกัน ผมก็พยายามเร่งรัดคิดว่าชีวิตจะไปไม่รอดเดินเกือบจะไม่ได้อยู่แล้วเร่งรัดในการก่อสร้างพระโบสดสองหลังเสร็จภายในปีเดียวเมื่อทําการฝังลุนิมิตเสร็จทําเดินเดียวกันหลังจากนั้นก็เดินทางเข้าโรงพยาบาลทันทีการเข้าโรงพยาบาลคราวนี้ ความจริงขณะที่ไปก็รู้สึกว่ามีแรงแต่พอเข้าไปถึงโรงพยาบาลท่านพูกโดยการมาพบหน้าเขาท่านถามว่ามาทำไมก็ตอบไปว่าต้องการให้หมอตรวจโรคไม่ทราบว่าร่างกายมันเป็นอะไรท่านก็จุงมือเดินไปห้องคนไข้เป็นห้องพิเศษ แต่วท่านก็บอกว่านีมนนอนในห้องนี้ก่บอกกับท่านว่าวันนี้ต้องการให้หมอตรวจโรคก็สั่งยาไม่ใช่จะมา น, นอนที่โรงพยาบาลท่านพูเในกาลผู้มียิตอารีท่านบอกว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลไม่ใช่วัดอำนาจได้ขาดอยู่ที่หมอเวลานี้ท่านเป็นคนไข้ท่านต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหมอยังจะกลับวัดไม่ได้ จึงกว่าหมอจะสั่งให้กลับเป็นอันว่าในเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลก็ต้องตามใจท่านวันที่ไปและครอนที่ไปก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรแต่ความจริงหมอเห็นหน้าแล้วท่านตาบ <c oughs> พอถึงเวลากลางคืนอาการประหลาดทั้งร่างกายมันก็ปรากฏ นั่นคือการจุกเสียกแน่นมันเกิดขึ้นในเวลาประมาณใกล้ๆอย่าสองทุ่มมันจุกมันเสียดมันแน่นขึ้นมาเต็มหนอกจนเกือบจะหายใจไม่ไหวก็ต้องอาศัยอนาปานุสติกับวฐ า, านเข้าคมคือกำหนดจับลมหายใจเขาออกให้มีอารมณ์เป็นฌานแต่จิตเป็นพอจิตเข้าถึง สมาธิอันดับที่สุดก็ปรากฏว่าไม่รู้สึกว่ามันมีทุกขเวทนาต้องตรงอาการอยู่อย่างนั้นจึงกว่าทางร่างกายมันจะคลายตัวเมื่อเวลาผ่านไปชั่วโมงเ็จเศษมันก็หายอาการจุกเสียก็หายคนเลิกก็ถอนสมาธิใช้อารมณ์ใคร่คขวนอารมณ์จิตตามปกติ แต่เขาบ่อยแตนสาว่าพอผมเดินเข้าโรงพยาบาลในขณะเดียวกันนั้นก็มีความรู้สึกยู่ว่าร่างกายนี้ไม่มีความหมายสำหรับเรามันต้องตายแน่ทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีสำหรับเราเวลานี้พ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเวลาที่มีคนเขาไปเยี่ยม เขาไปถามเรื่องทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ก็ลเลยบอกให้เขาทราบว่าเรื่องอื่นห้ามพูดเวลานี้มาเยี่ยมคนไข้จะถามได้อย่างเดียวว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างเรื่องทรัพย์สินเรื่องญาติเรื่องพี่เรื่องน้องห้ามพูดทั้งหมด <c oughs> แล้วเวลานี้ไม่มีอะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายนี้มันก็ยังจะตายแล้วจะห่วงอะไรก็ทรัพย์สมบัติ <c oughs> หรือว่าจะไปสนใจอะไรกับญาติพี่น้องและเพื่อนผู้ <c oughs> ความจริงการป่วยคราวนั้นก็ยังมีบุคคลผูยย้เห็นแกตัวไปใช้อีกใช้ตรวจนั่นตรวจนี่ก็นุกรู้สึกทงสายคนผู้นี้วม่อยู่ดีๆไม่ชอบรลอกชอบลงนรก พอเขาเอิบเอ่ยปากใช้ก็เห็นว่าอาธิษย์มาในกายของเขามีไฟท่วมขึ้นมาทันที <c oughs> นี่เป็นอันว่าท่านพูดนั้นเป็นอบายเป็นสัตว์ในอบายภูิขาแล้วก็ทำให้แล้วว่านี่การป่วยเค้ื่อนเข้ามาวันที่สองเวลาเดียวกันอาการจุกเสียดนั้นก็เกิดขึ้นเหมือนวันที่หนึ่ง ก็ต้องรวบรวมกำลังของสมาธิในด้านอนาปานุสติกรรมฐานคมอารมณ์พอจิตเป็นสมาธิความรู้สึกในรูปทุกเวทนา ม, มันก็หายไปพอถึงวันที่สามเวลาประมาณทุ่มเศษมีความรู้สึกว่าเจ้า ก, การป่วยอย่างนี้มันจะต้องปรากฏอีก ยังได้เรียกพยาบาลมาคอายไขเตียงอยู่ในสภาพนั่งมีหลังเพียงสบายลรวบอกพยาบาลออกจากห้องไปแต่ก่อนที่จ ะ, จะออกจากห้องบอกว่าคล้อยใส่กุญแจข้างนอกไปด้วยเป็นอนุว่าก็เลยตั้งท่าสะก่อนเรงว่าเจ้าจกเจ้าเสียดมันจะมา การตั้งท่าก็คือจับอารมณ์เป็นสมาธิด้วยนาฟานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกมรมฐานควบกันพอเริ่มใจสบายก็ปลดอารมณ์ลงมาถึงอุปจาระสมาธิพิจารณาทุกของร่างกายว่าที่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชาติวิทุกค่าความเกิดเป็นทุกข์นี่มันเป็นของจริง เชราบีทุกขะความแก่เป็นทุกข์มันก็จริงเมื่อนำบีทุกขังก่อนจะตายมันเป็นทุกข์ก็จริงเป็นอันว่าขันห้านี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ขันห้ามไม่ได้อํานวยประโยชน์ความสุขให้แกเราเลยเมื่อมีความหยจดรู้สึกอย่างนั้นใจสบายที่ว่าถ้าขันห้ามันจะพังเส้นได้เวลานี้ก็ดี เราจะได้หมดสภาวะแห่งความเป็นทาสเพราะในเมื่อขันห้ามันทรงอยู่เราก็เป็นทาสของกินเหลตันหาวป่าทานและกูศมนกรรมอยู่ตลอดไปต้องปล น, นเปรือมนั้นเปริการทั้งปวงบริหารตัวของตัวเองยังไม่พอยังจะต้องรับใช้นอกรีด์นอรอยของฆราวาดที่ไม่มีจริยธรรม หรือว่าไม่มีมัน ญ, ญากอยู่อีกอาการอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปถ้าขันห้ามันพังเราพอใจและขึ้นชีอว่าขันห้าอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเพราะมันเป็นทุกข์ขึ้นชีอว่าสมบัติใดๆที่มีอยู่ในโลกไม่จะไม่มีสำหรับเราอีกเออขึ้นชีอว่าโลกอย่างนี้เราไม่ต้องการ หลังจากนั้นก็คุมกำลังใจให้เป็นสมาธิจิตก็มีอารมณ์สงบความจริงจิตเข้าถึงจุดสงบรวดเร็วมากมีความสุขมีความเอิบอิ่มร่างกายมันจะเป็นยังไงจิตไม่รับรองไม่รับทราบ มาตอนนี้พ่อมีอารมณ์สบายใจมีความสุขใจมีความปลอดโปร่งร่างกายเนยมันจะจกุกมันจะเสียดไม่รับรู้ไม่รู้มันซะเลยเวลานั้นก็เห็นภาพท่านท่านหนึ่งเป็นกรมสวยมากเพราะว่าเรื่องของเทวดาในเรื่องของผมนี่ผมฝึกมาเ่วกับพ่อปานมันเป็นอาการชิน ไม่มีอะไรเป็นของแปลกก็พบกันจนชินในขณะนั้นก็รู้ด้วยว่าพรมท่านคนนั้นคือสามบดีพรมท่านมายืนอยู่คนหนาท่านก็เรียกบอกว่าสัมภเกสีเวลานี้สมเด็จนิมนทรท่านให้ไปพบพอท่านพูดอย่างนั้นก็เลยบอกว่าอ้าวตกลง ไปเขาไปสมเด็จไหนท่านผู้ฟังไม่ต้องรับทราบอย่าไม่บอกท่านว่าสมเด็จท่านผู้นั่งคือใครเมื่อท่านเดินไปก็ตามท่านไปแต่เพราไอ้ ก, กายอีกกายหนึ่งมันออกจากกายเนื้อเขารู้สึกว่ามันมีความสวยสวยดขึงามมีความปลอดโปรง่ง มีความเบามีกายใสลัทิมีกายผ่องใสมากกว่าครามการตายครั้งที่สองยงได้มีความรู้สึกว่าภารกิจของเราที่มากเวลานั้นรู้สึกว่าการจเจริญกรรมฐานในแบบนั่งสมาธิใช้เวลา น, น, นานๆจะไม่มีเลยมีแต่อารมณ์ใจปกติที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ิจังเป็นของไม่เที่ยง แล้วก็ถ้าเราไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์ในที่สุดสภาวะทั้งหมดมันจะสลายตัวใครเขาจะด่าเขาจะสนเสริญไม่สนใจสร <c oughs> ้างใจส บ, บายไว้เป็นปกติถือว่านาะทีโลกเกอ อ, อนันหนงที่โตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกเรื่องการนินทาว่าร้ายนี่ผมไม่สนใจมันนาน มันมีความสุขใจเขาจะว่าเขาจะชมกระชังเขามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเรามีอย่างเดียวรักษากำลังใจให้เข้าถูกตามแบบเชี่บบพระองค์สมเด็จตัตสมมาสมุเตเจ้าที่สอนก็มีการคุมบารมีสิบมีจรณะสิบห้าเป็นสำคัญและก็ทำลายนิวรณห้าเบรไการพวกคุมาลมตาจริต ตามนิอง ส, สมเด็จพระธรรมสามิตร ส, สอนสอนอันนี้ผมทําผมได้เสมอถือว่าเป็นอารมณ์ปกติไม่มีอะไรเป็นเครื่องหนักจะคุยอยู่จะทํางานอยู่ปกติผมไม่ปล่อยอารมณ์แม้จะทํางานเหนื่อยแสนเหนื่อยก็ยิงดีได้โอกาสมากเมื่อท่านพรมท่านผู้นั้นพาเดินชมสวรรค์ ตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถึงสวรรค์ชั้นที่หกแล้วก็ผ่านรูปภปพรมตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่แปดต่อชั้นที่เกา้าเวลานั้นดูเหมือนว่าจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเวลาขึ้นไปถ้าอชี้ไปทางท้ายมือท่านบอกว่าดินแดนทางท้ายมือนี้ที่อากาศแลดูระยะใกล้กับเพชรทอรแสงพระอาทิตย์ <c oughs> สะท้อนแสงพระอาทิตย์พระราพชาไปหมดท่านบอกด้านแดงของอรูปแรบผมรูปแบบมนี้ไม่ได้อยู่เหนื อ, อรูปแรบผมขึ้นไปเป็นแดนอีกแดนหนึ่งต่างหากและท่านก็ชวนชมมาชมเขยของผมทั้งหมดถึงผมชั้นที่สิบหกและท่านก็ชี้ให้ดูท้องฟ้าต่าๆท่านบอกว่าสมเด็จอยู่บนโ น, น้น ขั้ขึ้นไปแต่พูดเดียวก็แล้วกันความจริงกายขึ้นไปตั้งแต่ต้นถึงผมชั้นที่สิบหกรู้สึกว่ามีแรงดีมาก <c oughs> แต่ว่าตอนที่จะขึ้นไปต่อไปนี้สิเมื่อก้าวเท้าขึ้นไปที่แรกรู้สึกหมดแรงเหมือนกับคนไม่มีกำลังกายจะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าไม่รับคำว่าเป็นคำสั่ง ว่าเดินไปอย่างคนโผัวผีผัผีขึ้นไปก็ไปพบอากายอาคารหลังหนึ่งพื้นเลยรั้วพื้นที่ดินรู้วกำแพงแก้วมีซุ้มสวยสดามากด้านนอกกป็ประตูหน้าหน้าซุ้มประตูนะเหมือนก็ประซุ้มวัดนะี่แหละแต่มันสวยกว่ามากมีพรมสี่ท่าน ด้านในก็มีพรมสี่ท่านพรมแท้แลยไม่แพ้ผมก็ไม่รู้เห็นแต่งตัวเหมือนผมเต่วสวยมากเดินเข้าไปภายในดูพื้นที่เดินเหมือนแก้วผสมทองเดินเข้าไปพบอาคารสามหลังมันสวยจริงๆสวยยิ่งกว่าดินแดงของพรหมชนที่สิบหก ซึ่งวันดาสวรรค์ละพมแล้วทัาพรมชั้นที่สิบหกนี่สวยมากแต่ว่าที่นี้สวยกว่านั้นการเดินไปมันหมดแรงก็เดินไปถึงข้างหน้าอาคารสามหลังคล้ายๆกับหอระฆังที่ก็สวยสดงดงามเป็นพิเศษทิ่มุนนอนลงตัปที่นั้นดูพื้นคือยข่แก้วผสมทองไปหมดทั่วบริเวณ ขณะนิ่งนอนลงไปหันหน้าไปทางทิ่ตะวันออกก็พอดีตาเห็นพระองค์หนึ่งเดินมาทางด้านทิศตะวันออกเปล่งฉับพันราวสีรสมิ้นเวการสวยสดงดงามมากท่านเดินเข้ามาทางกำแพงไม่ได้เข้าทางประตูมีความรู้สึกว่าท่านจะเข้าได้ยังไงก็พอดี พอท่านเดินมาถึงกำแพงกำแพงมันก็แยกตัวหดเข้าไปเป็นช่องให้เดินเข้ามาท่านเลยมาแล้วกำแพงมันก็ติดกันก็รู้สึกแปลกใจท่านมาถึงได้ก็มานั่งลงที่ผมนอนผมก็เลยลงมาข้างล่างทำพิธีการท่านท่านก็ถามว่ามีความรู้เคยคิดมัไม่ว่าอยากจะมาพราะนิพพาน ตอนนั้นใครๆเ้าก็ว่านิพพานศูนย์กันทานั้นผมกันเลยบอกท่านว่าเพราะผมไม่มีแรงบอกผมไม่เคยคิดที่จะมานิพพ า, านท่านเล่บอกว่าเคยรู้เคยมีความเข้าใจไม่ว่านิพพานในอยู่ที่ไหน้ว ก, กระบเบียนท่าว่าไม่รู้ท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไร ก็ตอบว่าไม่รู้ท่านถามว่าพรมมชั้นที่สิบหกรู้จักไหมก็บอกว่ารู้จักเพราะผ่านมาแล้วแต่ก็เลยบอกว่าท่านเลยพรมชั้นที่สิบหกเขาเรียกกันว่านิพพานนิพพานไม่ใช่มีสภาวะสูญนิพพานเป็นคาว่างอย่างเยี่ยงสำหรับกิเลสนิพพานเป็นแดนที่มีความสุขท่านก็ย้าถามอีกว่าอยากจะมานิพพานไหม ก็ตอบท่านบอกว่าไม่เคยอยากจะมาเพราะไม่เคยคิดไว้คำว่านิพานนี่จะถึงได้ในชาตินี้นี่ขอเล่าลัดๆเพราะเวลาเหลืออีกสองสามนาทีท่านก็บอกว่าถ้ายอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะรู้ท่านจะเชี่ดูท่อนไม้สิบท่อนสันส้นๆเป็นไม้บางๆสันส้นๆแลเรียกพระมาเก้าองค์ มีหลวงพ่อปานอาจารย์เบญองค์ที่สามพระเก้าองมาถึงก็หยิบไม้องละท่อนละท่อนละท่อนแบกเดิเนไปย่าสบายไม่รู้สึกว่านักไม้มาสิท่อนก็เลยอีหนึ่งท่อนนั่นก็สั่งบอกว่าถ้าชิ้นนั้นเธอจงแบกไม้ท่อนนั้นองค์ก็เลยตอบทขาบอกแบกไม่ไหวให้เขาบอกว่าไหวหรือไม่ไหวก็ต้องแบก ผมเข้าไปได้ก็ตั้งท่ายักแย่ยักยันคิดว่าไม้มันจะหนักพอจับเข้าจริงๆไม้มันเบาเหมือนกันดาษเอาขึ้นมารู้สึกว่ากําลังไม่ทราบประมาณไหนเดินแบบสบายจะตามพระผู้นั้นไปพอเดินไปได้หน่อยหนึ่งท่านก็เรียกมากบอกว่าไม้วางซะก่อนท่านบอกว่ากําลังใจของเธอเนี่ยถ้าตั้งใจจริงๆมานิพนานได้ในชาตินี้ แต่ว่าเธอยังจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ต้องกลับไปก่อนเวลานี้เธอสนใจในสมาบัติก็สมถาภาวนามากกว่าวิปัสนาภาวนามีวิปัสนาภาวนาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฉ น, นเวลาที่จะเข้าเขตนี้จึงไม่มีกำลังกลับไปตั้งใจฝึกฝนในด้านวิปัสนาภาวนา แล้วนายที่สุดจะมีโอกาสมาในที่ได้แล้วท่านแนะนําสั่งสอนมาเขากราบโดยย่อว่าจงอย่าชิดยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกร่างกายก็ดีญาติเขดีพี่ก็ดีน้องก็ดีพ่อก็ดีแม่ก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างจงอย่ายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรา เมื่อเราวางภาระในขันห้าเซนได้แล้วแล้วก็วางภาระทุกอย่างในโลกเซนได้หมดคนประเภทนี้เมื่อสิ้นชีพสังขารแล้วก็ปรากฏว่าจะต้องเข้าถึงพระนิพพานทุกคนอรรบบนดาท่านพุทธศาสนิ ก, กชนและเพื่อนสาธรรมิกาวันนี้ต้องยอบมากเพราะเวลาไม่พอ สำหรับวาระอห่งการตายครั้งดีสามทัางได้เริ่มบอกกันมากหวังว่าพอจะเป็นแนวทางของท่านหลายที่ยังมีความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติสมณธรรมว่าไม่ต้องไปนั่งหลับตาเสียงเสมอไปเวลาลืมตามีความสำคัญให้วางภาระของสังขารเสีย ห, หมดอย่าไปยุ่งกับที่ว่าน่าบการ แล้วตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานมิปัจฉนากรรมฐานผลพระนิพพานย่อมจะมีกับท่านได้สูงความปัจฉนาสำหรับวันนี้ก็ข อ, อยยติไว้จะเปียนเท่านี้เพราะว่าเวลาก่อนกรรมฐานนี้ก็มหมดเปลี่ยงเท่านี้นแล้วขอทุกท่านผู้รับฟังย่มีความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลหากกระส่องสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสูงความปาจฉนาจงทุประกาย